วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกๆ ท, ท่านได้มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจ มาวัดเพื่อมาศึกษามาปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐสามประการด้วยกันคือพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระกรุณาที่คุณเป็นผู้ที่ได้ เห็นคุณค่าของสิ่งที่มีคุณค่าเช่นการได้มาเกิดเป็นมนุษย์และการได้มาพบกับพระพุทธศาสนาสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยาก เป็นการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเกิดของพระพุทธศาสนานี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งนานๆจะปรากฏมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ธรรมและมาเผยแผ่ธรรมก่อตั้งพระพุทธศาสนานไว้ให้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกนานๆนนจริงๆ คาว่านานนี้คือต้องนับกันด้วยกับนับด้วยนับด้วยปีล้านปีนี่ไม่ยังยังไม่นานยานานนี้เป็นกับกับนี้ท่านก็เปรียบเทียบว่าถ้าอยากจะคํานวณว่ากับหนึ่งนี้นี่ยาวสักเท่าไหร่ก็ให้คิดว่าทุกร้อยปีจะมีคนมาลูก ภูเขาสูงภูเขาฮิมาลัยอันสูงนี้สักครั้งหนึ่งทุกร้อยปีให้เอาผ้ามารูปภูเขาฮิมาลัยหนึ่งครั้งให้ทาให้รูปไปจนกว่าภูเขาฮิมาลัยจะสึกหายไปหมดอันนั้นละ่ะจะได้เวลาหนึ่งกลับด้วยกันและการที่จะมีพระพุทธเจ้ามาเกิดนั้นแต่ละครั้งมันไม่ใช่เพียงกลับ มันหลายแสนกลับด้วยกันจึงเป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับการเกิดของพระพุทธเจ้าหรือของการเกิดของพระพุทธศาสนาในแต่ละครั้งแล้วก็การได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็เป็นของยากมากยากง่ายก็ให้เราเปรียบเทียบดูจำนวนของ มนุษย์และจำนวนของสัตว์ที่มีชีวิตคือสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เหล่านี้เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนของสัตว์เดรัจฉานแล้วนี่มีน้อยมากจำนวนของสัตว์เดรัจฉานนี้มีมากการได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานจึงเป็นของง่ายแต่การได้เกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นของยาก เพราะว่าต้องมีบิดามารดาเป็นมนุษย์ในเมื่อประชากรเมื่อจํานวนของมนุษย์นี้มีน้อยการจะผลิตลูกเต้ามนุษย์ออกมามันก็มีน้อยฉะนั้นการโอกาสที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็เป็นของยากอย่างยิ่งอันี้คือสองสิ่งที่เป็นของยากและเมื่อได้มาพบกันนี้ ก็จะกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีคุณประโยชน์มหาศาลเพราะว่าพระพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาหรือคำสอนของผู้ที่ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด <Yeah. S 1> ไม่มีผู้ใดนอกเหนือจากศาสนาพุทธ คือนอกเหนือจากพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าที่สามารถนําพาจิตใจของตนเองให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นอกนั้นแล้วไม่มีใครที่จะสามารถจะทําได้และถ้าอยากจะหลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็จะต้องมีพระพุทธเจ้า หรือมีพระอาหารหันตสาวกมาเป็นผู้สอนวิธีการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้และการที่จะสามารถเรียนรู้คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีของพระอาหารหันตสาวก็ดีก็จำเป็นที่จะต้องเป็นมนุษย์เพราะว่า พระพุธเจ้าและพระอนัสสาวุกท่านเป็นมนุษย์ถึงแม้ว่าบางองค์บางท่านอาจจะมีความสามารถพิเศษคือมีอภินยาสามารถที่จะสอนกายทิพย์ได้คือพวกเทวดาอันนี้ก็เป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่แล้วท่านจะสอนแต่มนุษย์เป็นหลักเพราะส่วนใหญ่ท่านไม่มีอภินยา ที่จะสามารถที่จะติดต่อกับเทวดาสั่งสอนเทวดาได้ดังนั้น <c oughs> การได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้การพบกับพระพุทธศาสนานี้ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นสูตรสำคัญแห่งการหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้แหละเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนนี้ ถือว่ามีโชคคาราบอันมหาศาลยิ่งกว่าการถูกรัตตลี่รางวัลที่หนึ่งเพราะคุณประโยชน์ที่ได้รับจากการถูกรัตตลี่รางวัลที่หนึ่งนั้นสู้คุณประโยชน์จากการที่ได้รับรางวัลของพระพุทธศาสนาไม่ได้ก็คือมรรคผลนิพพานการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดถูกรัตตลีรางวัลที่หนึ่ง ก็ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ได้อย่างมากก็คือประโยชน์สุขในขณะที่มีชีวิตอยู่คือได้เงินทองนี้มาเยยยามาดูแลเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายไปแต่พอร่างกายตายไปเงินทองเหล่านี้ก็หมดความหมายไปและจิตใจก็ยังต้องไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไป แต่ผู้ที่ได้พบกับพระพุทธศาสนาและได้ถูกรางวัลของพระพุทธศาสนาตั้งแต่ขั้นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งขึ้นไปคือขั้นพระโสดาบันก็จะได้รับประโยชน์คือได้รับการลดการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้ให้น้อยลงไปตามลำดับ เช่นถ้าได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็จะเวียนว่ายตายเกิดในกามาพบไม่เกินเจดชาติเป็นอย่างมากการมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เกินเจ็ดครั้งถ้าได้บรรลุ ข, ขั้นที่สองคือพระสกิดาคามีก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพียงอีกครั้งเดียวแล้วถ้าได้ขั้นที่สามคือพันธ์พระอนาคามี ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ยังต้องไปเกิดอยู่ในพรหมโลกพบของพรหมต่อไปแล้วก็จะปฏิบัติจนสามารถบรรลุถึงขั้นที่สี่คือขั้นของพาอาาระอรหันต์ได้ได้หลุดออกจากตายพบได้อย่างสมบูรณ์ออกจากกามาพบออกจากรูปะพบและออกจากอารูปะพบพ อ, ออกจาก พทั้งสามก็เข้าสู่พระนิพพานไปพระนิพพานนี้อยู่นอกนอกตายภพถ้าเปรียบเทียบกับโลกของเรานี้โลกของเราก็มีแรงดึงดูดให้สิ่งต่างๆนี้ตกลงมาบนผิวโลกเช่นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนผิวโลกนี้จะเอาจากผิวโลกนี้ไปได้ น, นี้ จะต้องมีจรวดที่จะสามารถผลักดันให้ร่างกายหรือผู้ที่โดยสารในร่างกายผู้ที่โดยสารในจรวดนี้ขับเคลื่อนออกจากรัศสมีของการของแรงดึงดูดของโลกได้พอออกไปพ้นจากแรงดึงดูดของโลกคือจะไม่กลับมา อกอยู่บนผิวโลกนี้ก็ secondly, <S <S <S <S ถือว่าอยู่ในอวกาศพระนิพาพานนี้ถ้าเปรียบเทียบกับทางโลกก็เหมือนกับเป็นอวกาศผู้ที่อยู่ในพระนิพาพานพาก็อยู่พ้นจากแรงดึงดูดของของตายภ พ, พของสังสารวัฏของการดึงดูดให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิด ในกามาพบบ้างในอรูปพบบ้างและในอรูปพบบ้างอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังจะได้เห็นภาพว่าเวลาที่เขาสร้างจรวดกันขึ้นมานี้จุดประสงค์ก็คือต้องการจะส่งยานอวกาศหรือส่งนักบินอวกาศให้หลุดออกจากแรงดึงดูดของโลกเพื่อที่จะได้ไปท่องอวกาศไปสำรวจ ดวงดาวต่างๆได้จาเป็นที่จะต้องมีจรวดยานหานะยานพาหนะที่มีกำลังสูงมีแรงผลักดันสูงกว่าแรงดึงดูดของโลกสาเหตุที่จรวดนี้สามารถหลุดออกจากแรงดึงดูดของโลกได้เพราะมีพลังขับเคลื่อนเครื่องยนต์ของจรวดนี้ มีพลังที่สามารถส่งให้ยานนี้ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าและเข้าไปสู่อาวากาศให้ห่างจากแรงดึงดูดของโลกได้อันนี้ก็เปรียบเทียบว่าถ้ายังอยู่ในรัศษมีของแรงดึงดูดของโลกไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องตกลงมาแต่ถ้าออกไปพ้นแรงรัศษมี ของแรงดึงดูดของโลกแล้วนี้ยานอวกาศนั้นก็จะไม่กลับเข้ามาสู่โลกนี้อีกต่อไปเช่นยานอวกาศที่เขาส่งไปสำรวจตามดวงดาวต่างๆพวกนี้ไปแล้วไม่กลับไปแล้วไม่มีวันที่จะกลับมาบนถิวโลกนี้อีกต่อไปก็จะไปสู่จุดหมายปลายทางที่ถูกส่งให้ไป เช่นดาวอังคารบ้างยานาวกาศบางดวงก็ให้ไปสำรวจดวงดาวต่างๆจนมีบางยานาวกาศนี่ไปจะค้างออกขอบเอาอไปจนเกินที่สามารถจะติดต่อกันได้ทางโลกเพราะว่าไม่มีแรงดึงดูดอะไรที่จะดึงยานาวกาศเหล่านั้นให้กลับมาบนผิวโลกอีกแล้ว จิตใจของพระพุทธเจ้าและจิตใจของพระอานันตสาวกนั้นก็เป็นเหมือนยาอวากาศที่ได้หลุดออกพ้นจากรัศมีแรงดึงดูดของตายพบอะไรคือสิ่งที่เป็นแรงดึงดูดของตายพบที่ดึงให้ดวงจิตดวงใจของสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงนี้ยังติดอยู่ในตายพบอยู่ อย่างที่เราเปรียบเทียบสิ่งต่างๆที่ยังติดอยู่บนผิวโลกนี้อยู่ก็เพราะมีแรงดึงดูดของโลกเป็นตัวดึงให้สิ่งต่างๆนี้ตกลงมาเช่นใบไม้ที่ทกําลังเนเวลาใบไม้ร่วงทําไมมันไม่ลอยขึ้นไปท้องฟ้าทําไมมันไม่ลอยออกไปสู่อวกาศนั่นก็เพราะว่ามีแรงดึงดูดให้ใบไม้ต่างๆที่หลุดออกจากต้นไม้นี้ร่วงลงมาสู่พื้นดิน ไม่สามารถที่จะลอยขึ้นไปสู่อาวากาศได้ด้วยตัวของมันเองอันนี้ก็เช่นเดียวกันแรงดึงดูดที่ดึงให้ดวงจิต ด, ดวงใจของสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงนี้ติดอยู่ในตายภพนี้ก็มีอยู่สามแรงดึงดูดด้วยกันเพราะว่ามีสามภพแรงดึงดูดที่จะดึงดูดให้ใจของสัตว์โลกหรือดวงวิญญาณของสัตว์โลกนี้ กลับมาเกิดในแต่ละภพก็ขึ้นอยู่กับความอยากสามชนิดด้วยกันถ้ายังมีความอยากในการเสกกามคือเสกรูปเสียง ก, กลิ่นลถโผดชพะที่เรียกว่ากามาตัญหาอันนี้แรงดึงดูดที่จะดึงให้สัตว์โลกกลับมาเกิดในกามภพ ก, กามภพนี้คือที่อยู่ของสัตว์ชนิดใดบ้าง ก็อยู่ที่มนุษย์มนุษย์ก็เป็นสัตว์ที่อยู่ในการมาพบหรือพวกเทพกายทิ่ที่เป็นเทพนี่เทวดานี่ก็ยังเป็นอยู่ในการมาพบอยู่หรือพวกที่เป็นกายทิ่ชนิดหยาบหรือร่างหรือมีร่างกายชนิดหยาบก็คือเดรฉาสัตว์เดราฉานพวกนี้ก็ยังเสดกจามอยู่แล้วก็พวกที่ ไม่มีร่างกายอย่างเดราชนาหรือมนุษย์ก็ยังแต่ยังเสพกามอยู่ก็คือพวกเปรตพวกอสูรกายและพวกนรกพวกนี้ที่สาเหตุที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกามภพบนี้ก็เพราะว่ายังไม่ได้กำจัดกามตัญหาความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะออกไปจากใจนั่นเอง ยังทำให้ต้องกลับมาตายเกิดอยู่เรื่อยๆ เ, เปลี่ยนภพไปเปลี่ยนภพมาตามการกระทําของตนการกระทํานี้แหละที่จะทําให้ผู้ที่ยังเสพตามอยู่นั้นเวลาร่างกายนี้ตายไปจะไปเกิดในภพของเทวดาหรือไปเกิดในภพของเดรัจฉานของเปรตของมรุะกายหรือของนรกนี้ ก็ขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่ได้ทํากันในขณะที่มีชีวิตอยู่ในขณะที่เป็นมนุษย์นี่ถ้าทําบุญมากกับบาปบุญก็จะมีกําลังที่จะดึงดวงวิญ ญ, ญาณไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วให้ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆซึ่งมีอยู่หกชั้นด้วยกันอันนี้เป็นผลที่เกิดจาก มีการได้ทำบุญมากกว่าทำบาปบุญกับบาปนี่ก็เป็นเหมือนเงินเงินในธนาคารเงินฝากกับเงินกู้นี่ถ้ามีเงินฝากมากกว่าเงินกู้ก็ถือว่ากำไรไม่ขาดทุนแต่ถ้ามีเงินกู้มากกว่าเงินฝากก็ถือว่าขาดทุนก็คือพวกที่ทำบาปมากกว่าทำบุญนี้ก็ถือว่าขาดทุนเวลาตายไปแล้วนี่ จะไปสวรรค์ไม่ได้เพราะว่าบาปที่ทำนี้มีกำลังมากกว่าบุญบาปก็จะดึงให้ไปเกิดในอบายคือที่อยู่ของสัตว์เดรัจฉานของเปรตของมรรคกายและของนรกนี่แต่ไม่ว่าจะไปสวรรค์หรือไปอบายก็มีวันสิ้นสุดลงคือบุญที่ส่งไปเมื่อได้ใช้หมด ก็เหมือนกับรถที่ขับไปแล้วเติมน้ำมันเต็มถังขับไปเรื่อยๆเดี๋ยวน้ำมันก็หมดน้ำมันหมดก็ต้องแวะจอดปติมน้ำมันฉันใดผู้ที่หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วไปเกิดพบภูมิที่สุขที่เรียกว่าสุขติก็ดีหรือไปเกิดพบภูมิที่เป็นทุกขติก็ดีคืออบายสีสวรรคหกนี่ก็เป็นสุ ข, ขติ อาบายสี่ก็เป็นทุกขติพอบุญที่ส่งไปหมดกำลังลงไม่สามารถดึงให้อยู่ในสวรรค์ได้ดวงวิญญาณก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่และในทางตรงกันข้ามกันดวงวิญญาณที่ไปติดไปตกอาบายไปตกนลกไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือไปเป็นสัตว์เดรัจฉานพอบาปที่ได้ทำไว้หมดกำลังลง ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ส่วนพวกทีเ่เป็นมนุษย์อยู่แล้วก็ทำบุญทำบาปเท่าๆกันบุญไม่มากกว่าบาปบาปไม่มากกว่าบุญบุญก็ดึงให้ไปเกิดสวรรค์ไม่ได้บาปก็ดึงให้ไปเกิดในอบายไม่ได้พวกนี้ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หลังจากที่ร่างกายมนุษย์ตายไปแล้วก็จะมารอคิว มารอคิวรับร่างกายมนุษย์เวลาที่มีพ่อแม่คนใหม่ผลิตร่างกายอันใหม่ขึ้นมาถ้าเป็นจังหวะหรือเป็นคิวของดวงวิญญาณดวงนั้นดวงวิญญาณดวงนั้นก็จะได้รับร่างกายอันใหม่ไปได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไปนี่คือเรื่องของผู้ที่ยังมีกามาตัหาอยู่ยังอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเทวดาก็ตามเทวดาก็ยังอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรนเขาก็มีรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์ให้เสพพวกเทวดาถ้าเป็นมนุษย์ก็มีรูปรูปเสียงกลิ่นลดผลพระที่ได้สัมผัสผ่านทางตาหูจมูกนิ้นกายเช่นเดียวกับสัตว์เดรัฉานก็มีตาหูจมูกนิ้นกายไว้เสพ ร, รูปเสียงกลิ่นนนท์แต่พวกเปรตพวกอสุรกายพวกนรกนี้เขาก็เสพ รูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพแต่เป็นสิ่งที่ทุกเป็นรูปที่ทุกเสียงที่ทุกกลิ่นที่ทุกอันนี้เป็นเรื่องของผู้ที่ยังเสพกามอยู่ยังมีความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลตภะก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกามะพุไปเรื่อยๆตายไปถ้าบุญมากกว่าบาปก็ไปเสพ รูปทิพย์เสียงทิพย์ในสวรรค์ถ้าบาปมากกว่าบุญก็ไปเสพรูปทิพย์เสียงทิพย์ในอบายซึ่งเป็นซึ่งเป็นส่วนรูปทิพย์ที่ทุกเสียงที่ทุกแล้วพอหมดบาปหรือหมดบุญก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี่คือการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราทุกคนเนี่ยที่เรานั่งอยู่เนี้เป็นอย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นอ่ะจะไปไหนต่อทั้งนั้นเองเคยสังเกตดูไหมว่า ตายไปเราจะไปไหนความจริงมันก็มีหนังตัวอย่างคอยบอกให้เรารู้ว่าเราจะไปทิศทางไหนถ้าเรานอนหลับแล้วเราฝันร้ายบ่อยๆฝันร้ายมากก็ฝันดีนะั่นแสดงว่าเรากำลังจะไปอาบายกันถ้าเราฝันดีมากกว่าฝันร้ายนะสแสดงว่าเราจะไปสวรรค์กันอันนี้แหละเป็นเป็นตัวบ่งชี้ให้เรารู้อนาคตของพวกเราว่า ตายไปแล้วเราจะไปที่ไหนกันไปสุขคติหรือไปทุกขติยังงั้นเรายังมีเวลาแก้ไขได้ถ้าเราเชื่อเรื่องละเรื่องกฎแห่งกรรมที่เอามาเอามาแสดงให้ท่านทั้งหลายได้ฟังถ้าท่านเชื่อแล้วถ้าท่านยังมีแต่ฝันร้ายมากกว่าฝันดีก็ให้รีบทําบุญให้มากขึ้นทําบุญทําทานแล้วก็ลดการกระทําบาปให้น้อยลงพยายาม ปรับบัญชีใหม่มารอปรับตอนตายคนชอบมาพูดถึงเรื่องจิตสุดท้ายแล้วค่อยมาปรับบัญชีตอนจิตสุดท้ายเนี่ยมันปรับไม่ทันหรอกมันปรับไม่ได้มันยากยกเว้นคนบางคนเท่านั้นที่เป็นกรณีพิเศษที่สามารถปรับบัญชีตอนตายตอนใกล้ตายได้อย่างเช่นองค์คุลิมานี่มาปรับบัญชีได้องค์ุลิมานฆ่าคนมาต้องเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคน พอมาเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกฆ่าผิดตัวแล้วสิ่งที่ต้องฆ่าไม่ใช่คนสิ่งที่ต้องฆ่าก็คือกิเลสเนี่ยฆ่าตัวกามาตาหาเนี่ยฆ่าตัวความอยากเสพกามให้ไปฆ่าตัวนี้พอเข้าใจที่คำที่พระเจ้าสอนก็ปรับเปลี่ยนแผนใหม่แทนที่ไปฆ่าคนไปทาบาปก็ไปฆ่ากิเลสไปทําบุญแทนพอฆ่ากิเลสหมดก็ เป็นพาาาระอรหันต์ขึ้นมาพอเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาตายไปก็ไม่กลับมาเกิดกรรมที่ได้ก่อไว้มากน้อยเพียงไรก็ตามถ้าไม่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ไม่ต้องมารับใช้กรรมอีกต่อไปนะอันนี้ต้องปรับตอนก่อนตายไม่ใช่มาปรับตอนที่ใกล้จะตายนอนอยู่บนเตียงเราจะมาปรับเวลานั้นมันเปิดเหมือนน่องมวยถูก ถูกชกนับแปดแล้วจะมีสติสตังลุกขึ้นมาต่อสู้กับคู่ฆ้าศึกศัตรูได้อย่างไรมีแต่จะลองขอร้องอาว่าให้ให้จบเสียทีเถิดขอไปอยากจะตายแล้วมีเท่านั้นไอ้ที่จะมาปรับจิตปรับใจให้เป็นสวรรค์เป็นสุคติขึ้นมานี่ยากในวาระจิตสุดท้ายเนียนอย่าประมาทพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าอย่าประมาท ให้รีบสร้างบุญสร้างกุศลให้รีบลักการกระทำบาปในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่อย่ามาเร่ออย่าจะมารอตอนจิตสุดท้ายหวังว่าสามารถมาปรับจิตสุดท้ายได้ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ต้องมาเสียเวลามาทำบุญทำทานกันให้เหนื่อยยากตอนนี้ก็ไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปทำบาปทำอะไรให้เต็มที่แล้วพอจิตสุดท้ายก็มานั่งทาใจให้สงบ มันไม่มีทางที่จะทำให้ใจสงบได้ <Yeah. S 1> ดังนั้นอย่าไปหวังจิตสุดท้ายเราต้องปรับบัญชีตั้งแต่บัดนี้ไป <Yeah. S 1> ถ้าเราไม่รู้ว่าบัญชีบุญหรือบัญชีบาปเราอันไหนมากกว่ากัน <Yeah. S 1> ก็ให้เราสมมุติไปว่าบาปมันมากกว่าบุญก็เราตอนนี้ <Yeah. S 1> เพื่อที่เราจะได้ไม่ประมาท <Yeah. S 1> ดีกว่าไปคิดว่าเราบุญมากกว่าบาป <Yeah. S 1> นะเพราะความคิดของเราอาจจะไม่ตรงกับความจริงก็ได้ เราจะคิดว่าเรามีบุญมากกว่าบาปแต่ความเป็นจริงมันอาจจะเป็นบาปมากกว่าบุญก็ได้างน <Jade. S 1> ั้นเพื่อความไม่ประมาทเพื่อความไม่ผิดหวังขอให้เราคิดว่าเราตอนนี้มีบาปมากกว่าบุญดีกว่าถึงแม้ว่าเราจะมีบุญมากกว่าบาปก็ไม่เสียหายตรงไหนเพราะเราจะได้ลดการกระทำบาปให้น้อยลงเพิ่มการกระทำบุญให้มากขึ้นมันก็จะทำให้เรามีบ<ม>ุญมากกว่าบาปมากขึ้นไป อย่าไปคิดว่าเรามีบุญมากกว่าบาปตอนนี้เราไม่ต้องทำบุญเรายังทำบาปได้อันนี้เป็นการคิดผิดเลยให้คิดกลับกันให้คิดว่าตอนนี้บาปของเรามีมากกว่าบุญเราควรที่จะรีบทำบุญและละการการทำบาปให้น้อยลงไปทำบุญให้มากขึ้นเพื่อต่อไปเมื่อเวลาปิดบัญชีตอนตายตอนจิตสุดท้ายบัญชีของเราจะได้ติดบวกคือบุญมากกว่าบาป เราจะได้ไปสวรรค์ต่ออันนี้สําหรับผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดในกาลมาภพนี่หมายถึงผู้ที่ยังไม่สามารถละกาลมตัญหาได้ก็ยังจะต้องติดอยู่ในกาลมาภพเพียงแต่ว่าอย่างน้อยก็จะได้ติดอยู่ในส่วนของสุกติกาลมาภพนี้มีแบ่งเป็นสองส่วนสุกติกับทุกติสุกติก็คือสวรรค์ชั้นต่างๆ ทุกติก็คือนากเลือบายชั้นต่างๆส่วนระหว่างสุกติทุกขติก็คือพบของมนุษย์นี่เองพบที่พวกเราอยู่กันนี้ถือว่าไม่ได้เป็นสุขติหรืไม่ทุกขติเพราะว่ามันมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ที่พอๆกันทุกข์ก็มีสุขก็มีแต่ถ้าไปอยู่ในสุขตินี้จะมีสุขมากกว่ามีทุกข์แต่ถ้าไปอยู่ในทุกขติก็จะมีทุกข์มากกว่ามีสุข อันนี้คือเรื่องราวของผู้ที่ยังติดอยู่ในการมมาพบถ้ายังไม่เลิกเสพกรมก็ยังต้องติดอยู่นี้ถ้าอยากจะออกจากการมมาพบก็ต้องเลิกเสพกรมให้ได้และการที่จะเลิกเสพกรมได้นี้ให้ทำอย่างไรก็ต้องเป็นพวกนักบวชนี่พวกนักบวชนี้เขาปฏิบัติเนคขมมะบวชเนคขมมะกัน ในคำว่าแปลว่าการออกจากกวามสุขการออกจากการหาความสุขทางตาหูจมูกมนิ้วกายด้วยการถือศีลของนักบวชศีลนักบวชนี่มีอะไรก็มีตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไปถือว่าเป็นศีลของนักบวชก็คือจะไม่หาความสุขจากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นสรสศีลข้อสามของศีลห้าก็เปลี่ยนเป็นจาก การเมสุมิชาจารามาเป็นอ布拉มะจริยาเวรมณีศินสามของสินห้านี้ข้อสามของสินห้านี้ยังเสพกามได้ยังแต่ว่าให้เสพกับคู่ครองของตนให้ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนได้อยู่แต่ยังเป็นการเสพกามอยู่แต่ถ้าผู้ที่ต้องการที่จะเลิกการเสพกามก็เปลี่ยนจากกาเมสุมิชาจารามาเป็นอบรมจริยาเวรมณี ถือศีลของพรมอาจรรย์ศีลของพรมนั่นเองพรมก็คือผู้ที่ไม่เสพการผู้ที่อยู่ในรูปะภพและอรูปะภพอยู่ในสวรรค์ชั้นรูปะพรมหรืออรูปะพรมผู้ที่จะต้องการออกจากการมารภพเพื่อเข้าสู่รูปะภพหรืออรูปะภพนี้ก็ต้องละการเสพการด้วยการถือศีลเป็นเบื้องต้น ศสียนี้จะเป็นเหมือนกับกำแพงรั้วกัน้นไม่ให้จิตออกไปเพ่นพ่านไม่ให้ไปตามบาตามถับตามสถานท่องเที่ยวสถานบันเทิงอะไรต่างๆอันนี้เป็นเหมือนกับกำแพงกัน้นไม่ให้ออกไปไม่ให้ไปเที่ยวไม่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเลยต้องเปลี่ยนศสีลข้อสามจากกาเม ม, มาเป็นอบรมจริยาเวรามนี แล้วก็เพิ่มศีลข้อ6กคือให้ลดการรับประทานอาหารให้น้อยลงไม่ให้รับประทานอาหารเพื่อเป็นการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสของอาหาร<ม>การรับประทานอาหารนี้รับประทานได้สองแบบรับประทานเพื่อการมาสุขหรือรับประทานเพื่อประทางชีพ<ม>ถ้าผู้ที่ต้องการที่จะไปออกจากการมาพบ<ม>ก็ต้องรับประทานอาหารแบบประทางชีพ แต่ประทางชีพก็คือไม่ต้องรับประทานมากเกินไปเอาแค่วันละมือ้อสองมื้อก็พอแต่ไม่ให้เกินเที่ยงวันไปแล้วไม่ให้รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วบางท่านเริ่มต้นก็สองมื้อไปก่อนแต่พอปฏิบัติทำได้พบกับความสุขของการปฏิบัติมากขึ้นก็ความหิวความอยากในการเสพอาหารก็จะน้อยลงไปก็อาจจะปรับเป็นมื้อเดียวก็ได้ต่อไป นี่คือสีลข้อหไม่ให้กินอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพื่อการไม่ให้ไปรับประทานอาหารเพื่อเป็นการเสพกามให้รับประทานหารเพื่อเป็นการประทังชีพเลี้ยงร่างกายให้อยู่ต่อไปได้ซึ่งรับประทานวันเราหนึ่งมื้อก็อยู่ได้แล้วไม่ตายรับประกันได้เพราะพุทธเจ้าพระอาหารทุกรูปนี้ท่านะฉันมื้อเดียวเท่านั้นท่านไม่ตายด้วยการกินมื้อเดียว อันนี้ไม่ต้องกลัวแต่จะเป็นการปามการเสพรูปเสียงกินลดผ่านกทางการรับประทานอาหารนั่นเองอันนี้เป็นข้อที่หกของศีลนักบวชข้อที่เจ็ดก็คือไม่ให้หาความสุขจากการบันเทิงเรื่องบันเทิงต่างๆเรื่องสังคมอะไรต่างๆเท้างานต่างๆงานเลี้ยงงานดูงานฟังการกินงานดื่ม เรืออะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ให้หาความสุขจากการเสพกามในรูปแบบนี้แล้วก็ไม่ให้หาความสุขจากการเสริมสวยความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าอาภรรตต่างๆด้วยน้ำหอมน้ามันหรือแม้แต่สมัยนี้ก็มีเครื่องสาอางมีเครื่องสัญญกรรมต่างๆสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นการเสพการทั้งนั้นคนที่ไปเสริมความงามทางสัญญกรรมไป ติมที่นั่นไปดึงที่นี่อะไรทํานองนั้นก็เป็นการเสริมความสวยงามซึ่งความสวยงามทางร่างกายก็เรียกว่าสวยทางรูปนั่นเองรูปก็เป็นการกรมอย่างการมาคุณอย่างรูปเสียงกลิ่นรสอันนี้ก็ต้องยุติการกระทําเหล่านี้ไปแล้วมาข้อที่8ก็คือการหลับนอนนี่ก็เป็นเหมือนกับการรับประทานอาหารเหมือนกันหลับนอนได้สองรูปแบบด้วยกัน หลับนอนเพื่อประทังชีพหรือหลับนอนเพื่อเสพความสุขจากการหลับนอนก็ไม่ให้หลับนอนเพื่อเสพความสุขจากการหลับนอนเพราะเป็นการมสุขเวลาล่างกายได้สัมผัสกับของนุ่มๆเตียงสบายเบาะนุ่มๆมันก็มีความสุขอันนี้ก็ไม่ต้องการให้เสพความสุขเวลานอนจึงห้ามนอนบนเตียงสำราญเตียงที่มันมีความสุข เตียงใหญ่ๆที่นั่งใหญ่ๆที่มีเบาะหนาๆนั่งแล้วนุ่มนอนแล้วนุ่มนี้ห้ามไม่เอาเพราะไม่เป็นการเสพกามเสพปวดทพะร่างกายสัมผัสกับของนุ่มของอ่อนแล้วมันสบายให้นอนกับของพื้นแข็งๆนอนกับพื้นปูด้วยผ้าด้วยเสือ่ออันนี้ก็จะไม่เป็นการเสพกามแต่เป็นการพักผ่อนหลับนอนเพื่อประทังชีพของร่างกาย ร่างกายวันหนึ่งมันก็ต้องมีเวลาพักผ่อนหลับนอนให้มันรับนอนพักผ่อนหลับนอนแบบไม่ได้เสกกามรมคือให้นอนบนพื้นแข็งๆจะเป็นพื้นดินก็ได้พื้นบนพื้นเตียงก็ได้แต่ให้เป็นพื้นพื้นเตียงที่แข็งไม่มีเบาะไม่มีฟูกอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้จะนอนไม่มากด้วยจะทําให้การนอนนี้นอนไม่มากพอนอนพอร่างกายได้พักผ่อนหลับนอนพอแล้วมันก็จะตื่นขึ้นมา พอมันตื่นขึ้นมามันก็จะอยากมันก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะพื้นมันแข็งมันไม่สบายไม่ไม่สุขก็จะได้รีบลุกขึ้นมาเพื่อที่จะได้มาบำเพ็ญกิจอีกข้อหนึ่งคือการภาวนาที่จะยกระดับจิตใจให้เข้าสู่พรห ม, มโลกอันนี้ออกจากการมาพบก็เข้าสู่พรหมพรห ม, ม, มโลกเลย ที่เรียกว่ารูปภพหรืออรูปภพรู ah. ปภพหรืออรูปภพนี่ก็เป็นภพอีกสองภพเนี่ยออกจากการมาภพก็ต <pe> ้องเข้าส <pe> ู่รูปภพหรืออรูปภพขึ้นอยู่กับความสามารถที่จะทําใจให้สงบได้ขั้นไหนถ้าทําใจให้สงบในขั้นรูปปัจจานได้ก็จะเข้าสู่ขั้นรูปภพถ้าทําใจให้สงบเข้าสู่ขั้นอรูปปัจานได้ก็ก็จะเข้าสู่อรูปภพ รูปประชานกับรูปประชานนี้ต่างกันตรงไหนต่างกันที่ความสงบนิ่งและความสุขที่ได้นั่นเองรูปประชานนี้จะสงบนิ่งน้อยกว่าอารูปประชานอารูปปัจานนี้จะสงบนิ่งมากกว่าจะมีความสุขมากกว่ารูปประชานอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกำลังของผู้ปฏิบัติคือสติที่เจริญว่ามีมีมากน้อยเพียงไรมีความเพียรพยายามที่จะเจริญมากน้อยเพียงไร บางท่านก็ได้แค่ขั้นรูปปัจจานบางทัานก็ได้ขั้นอรูปปัจจานอันนี้ก็ต่างกันแค่ความนิ่งสงบและความสุขที่ได้เท่านั้นเองแต่นอกจากนั้นก็เหมือนกันเป็นภพที่ไม่เสพกรารเหมือนกันไม่เสพรูปเสียงกลิ่นรสผดถั่วผู้ที่ได้รูปปัจจานนี้ก็ถือว่าได้จากการมีภาวะตัณหาอยากได้ความสงบเราเรียวกว่ารูปปัจจาน แล้วพวกที่ที่อยากจะได้อารู ป, ประชาม น, นี้ก็เรียกว่าวิภาวะตัณหาความอยากสามชนิดด้วยกันเบื้องต้นก็ต้องออกจากการมาพบก่อนอ อ, ออกจากการมาพบด้วยการเจริญในขมมะคือสื้สินนักบวญไม่ว่าจะเป็นศินแปดก็ได้สินสิบก็ได้สินสองร้อยยี่บเจ็ดหรือสินสามร้อยกว่าข้อก็ได้แล้วแต่สถานภาพของนักบวญว่าจะเลือก เลือกเป็นนักบวชระดับไหนถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาอันนี้เป็นแบบบวชชั่วคราวเช่นบวชวันพระทุกวันพระก็ไปอยู่วัดกันไปถือศีลอุโบสถไปถือศีลแปดกันตรงนี้ก็เป็นนักบวชชั่วคราวก่อนเป็นคาราวาแต่กําลังสุดที่จะไปเป็นนักบวชท้าวอนต่อไปหลังจากที่ได้ถือศีลแปดเป็นคาราวาเป็นอุบาสกอุบาสิกาใบพักใหญ่ก็ จ, จะอยากที่จะบวชเต็มรูปแบบก็ได้ ก็อาจจะไปบวชเป็นพระหรือเป็นชีไปเพราะยุคนี้เราไม่มีภิกษุณีแล้วภิกษุณีนี้หมดสภาพไปหลายพันปีแล้วยังไม่สามารถบวชเป็นภิกษุณีได้แต่สามารถปฏิบัติแบบภิกษุณีได้ด้วยการไปศึกษาศีลของภิกษุณีดูว่ามีกี่ข้อศีลภิกษุณีก็มีอยู่สร้อยกว่าข้อถึงแม้ว่าจะไม่ได้บวชเป็นภิกษุณีแต่ก็สามารถปฏิบัต แบบภิกษุณีได้ไม่มีข้อห้ามถ้าอยากจะถือศีเลเขร่งขนาดนั้นก็ไปศึกษาดูข้อห้ามของภิกษุณีนี่มี300้อยกว่าข้อด้วยกันมากกว่ามากกว่าของภิกษุของพระผู้ชายพระผู้ชายมีแค่227ข้อแต่พระผู้หญิงนี่ส่วนกว่าพระผู้ชายเลยมีข้อห้ามมากขึ้นมี300อยกว่าข้อด้วยกันอันนี้ก็เป็นการปรามกิเลสปรามความอยาก ที่จะเสพรูรปเสียงกลิ่นลดผลถะเพด้วยวิธีการต่างๆทั้งนั้นเองแต่ถ้าไม่ได้สามารถปฏิบัติถึงขั้นนั้นได้ก็ไม่ไม่เสียหายขอให้ได้ศีนพื้นฐานก็คือศีแปดขึ้นไปก็แล้วกันศีแปดสีสิบสีสองร้อยี่ิบเจ็สีสามร้อยกข้อนีก็ขึ้นอยู่กับความความพอใจของผู้ปฏิบัติอันนี้เป็นเป็นการสร้างกำแพงกั้นไม่ให้จิต ไหลทะลักกลับไปสู่การมาพบนั่นเองแล้วก็ให้ส่งส่งจิตให้เข้าสู่รูปะพบอรูปะพบด้วยการเจริญภาวนาคือสมถะภ า, าวนาการทำใจให้สงบทำใจให้เข้าสู่รูปประชานและอรูปประชานต่างๆการภาวนานี่มีสองขั้นขั้นแรกเรียกสมถะภ า, าวนาทำใจให้สงบให้เข้าฌานขั้นต่างๆ แล้วพอได้ฌานขั้นต่างๆแล้วก็ไปขั้นที่สองคือขั้นวิปัสสนาภาวนาอันนี้เป็นขั้นที่จะให้เข้าสู่ระดับของพระอริยบุคคล<ม>แต่ก่อนจะไปสู่วิปัสสนาได้ต้องผ่านสมถะภาวนาก่อนต้องได้รูปฌปานก่อนหรืออรูปฌานก่อนถ้าเช่นนั้นถ้าไม่เช่นนั้นไปไม่ได้ไม่มีกำลังพอที่จะเข้าสู่วิปัสสนาได้ อันนี้เบื้องต้นก็เลยต้องมาถือศีลแปดอยู่เป็นแบบนักบวชกันแล้วแต่ว่าจะเลือกอยู่แบบไหนนักบวชแบบชั่วคราวก่อนก็เนี่ยวันวันไหนว่างจากภารกิจการงานก็ไปบวชกันไปถือศีลแปดกันไปอยู่วัดที่สงบเงียบมีการปฏิบัติธรรมกันหรือว่าถ้ามีเวลาว่างมากกว่าวันอาทิตย์ละครั้งเช่นบางคนทำงานน้อย สามารถหยุดทีละเจ็ดวันบ้าง15วันบ้างก็ก็ไปบวชชั่วคราวกนแต่ระยะเวลาการบวชก็เพิ่มยาวขึ้นไปและเมื่อมีการปฏิบัติมากขึ้นไปตามลำดำับผลก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นไปตามลำดำับความสุขที่ได้จากการปฏิบัติก็จะมีมากขึ้นไปตามลดับความทุกข์ที่ได้ก็จะน้อยลงไปตามลำดำับ มันก็จะทำให้เกิดมีความปรารถนาในที่สุดว่าอยากจะปฏิบัติตลอดเวลาเพราะเห็นคุณค่าของการปฏิบัติว่าผลนี้มันเกิดจากการปฏิบัติมันไม่ได้เกิดจาก อ, อย่างอื่นเลยไม่ได้เกิดจากการที่บวชบวชแบบตลอดเวลาหรือบวชเชั่วข่าวบางทีพวกที่บวชชั่วข่าวนี้ได้ผลมากกว่าพวกที่บวชตลอดเวลาก็ได้ เพพวกที่บวชตลอดเวลาแทนที่จะมาภาวนาไม่ภาวนาสิกลับไปทำอะไรก็ไม่รู้ทำเรื่องที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของนักบวช <Yeah. S 1> ก็ไม่ได้ผลเ <Yeah. S 1> พราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่การ <Yeah. S 1> ว่าจะร่างบวชแบบถาวรหรือไม่ <Yeah. S 1> ให้อยู่ที่ว่าเราปฏิบัติมากหรือปฏิบัติน้อย <Yeah. S 1> ถ้าปฏิบัติมากท่านก็เรียกว่าสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ yeah. อันนี้แหละเป็นตัวที่จะทําให้เกิดผลขึ้นมาทางด้านจิตใจที่จะดึงจิตใจให้ออกจากการมมพบได้ต้องอาศัยสมถะภาวนาคือการทำใจให้สงบถ้าใจสงบใจเข้าสู่รูปฌปานได้หรืออรูปฌานได้ก็ถือว่าใจออกจากกามมพบแล้วเขาจะไม่ไปเสพการมอีกต่อไปพวกพวกที่ได้ได้ผลจากการภาวนาสมถะภาวนา สามารถเข้าฌานได้ทุกครั้งที่ต้องการก็จะไม่ไปหาความสุขจากจากรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้าต่อไปเพราะความสุขที่ได้จากรูปประชาเนื้อรูปประชานี้มันเหนือกว่าความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้านั่นเองอย่างนั้นสําหรับนักบวชนี่เขาจึงไม่ไปหาความสุขแบบผู้ครองเรือนคารวาะผู้ครองเรือนก็จะมักจะไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้ากัน ไปเที่ยวกันไปกินไปดื่นกันไปดูไปฟังอะไรกันแต่สําหรับนักบวชท่านก็จะเข้าฌานกันเข้าสมาธิกันเป็นวิธีหาความสุขถ้าทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนยจนชํานาญไม่สึกคือไม่ไ ม, ไม่ไม่เลิกถือศีลแปดไม่ไปเสพกามอีกต่อไปเสพแต่สมาธิเสพแต่รูปฌานรูปลูปฌาน พอตายไปดวงวิญญาณก็จะไปเกิดในรูปภพหรืออรูปภพนั่นเองรูปภพก็คือผู้ที่ได้ได้รูปประชานอรูปภพก็คือผู้ที่ได้อรูปปัจานแต่รูปปัจานและรูปปัจานที่ได้ก็เป็นของชั่วข่าวเช่นเดียวกันพอสติที่เป็นเหตุที่พาให้ได้รูปปัจานหรืออรูประชานหมดกำลังลง จิตตรงนั้นก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพราะว่ายังไม่ได้กำจัดกา ม, มาธหาความอยากในกามถึงแม้จะออกจากกา ม, มาธหาด้วยกำลังของฌานก็ตา่างแต่มันไม่ตายฌานหรือสติหรือสมาธินี้ไม่สามารถกำจัดกา ม, มาธหาให้ออกไปจากใจได้เพราะสติมีกำลังอ่อนลงกา ม, มาธหาก็มีกำลังมากขึ้น ในที่สุดการมาตัญหาก็จะดึงให้ลงมาเสพรูปเสียงกินลดใหม่อาจจะลงจากรูปรูประพบอรูปประพบมาสู่พบของเทวดาก่อนก็ได้หรืออาจจะพูดพาดลงมารอเกิดเป็นมนุษย์เลยก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่จังหวะแล้วแต่เหตุปัจจัยแต่ที่แน่ๆก็คือไม่ช้าก็เร็วก็ตามผู้ที่ได้รูปประพบเรือรูปประพบจากการเจริญสมถะภาวนานี้ ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่จะเป็นมนุษย์ที่ตา่ตางกจากมนุษย์คนอื่นเขาหรือพวกนี้มักจะกลับมาเกิดแล้วมักจะมาเป็นนักบวชกันเด็กบางคนนี่บวชตั้งแต่อายุสิบขวบเป็นเนนก็บวชกันเพราะเขามีความถนัดที่จะหาความสุขจากการเป็นนักบวชเขาไม่ถนัดจากการที่จะไปไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพะ ถ้ามีจังหวะมีโอกาสให้เขาบวชเขาก็จะบวชได้บางทีพ่อแม่เห็นลูกคนนี้ท่าทางสงบส ง, งมไม่สุไม่สุกไม่ ส, ไมสนไม่เล่นอะไรกับใครบางทีก็เอาไปฝากไว้ที่วัดให้ไปบวชเป็นเนถ้าเป็นถ้าถูกจริดเขาเป็นสิ่งที่เขาเคยทำมาแล้วเขาก็จะบวชไปจนวันตายเลยก็มีพระบางรูปนี้บวชตั้งแต่เป็นเนนแล้วก็ไม่สึกเลย อย่างสมเด็จพระยานสังวรที่ผู้สร้างวัดนี้ท่านก็บวชตั้งแต่เป็นเนแล้วท่านก็ไม่เคยเสร็จเลยท่านก็อยู่มาจนกระทั่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชแล้วแล้วก็ตายไปอันนี้ก็เพราะว่าท่านเคยเป็นนักบวชมาในอดีตแต่ชาท่านเคยหาความสุขจากการภาวนาการเข้ารูปปานหรือเข้าอารูปประชานนั่นเอง นี่คือลักษณะของพวกที่ลงมาจากพรหมมาโลกจะเป็นอย่างนี้จะกลับมาเกิดแล้วมักจะมาเป็นนักบวชกันเป็นส่วนใหญ่จะไม่ไปหาความสุขจากการเสกการมเพราะถึงแม้จะไปไปลองดูสักครั้งสองครั้งก็เบื่อไม่เอาไม่สนใจไม่ชอบแต่พอให้ไปนั่งสมาธิด้านที่ไหนชอบติดใจอยากจะไปเรื่อยๆอันนี้แหละแสดงว่ามีเชื้อเก่าเคยเป็นพรหมมาก่อนเคยไป เกิดบนสวรรค์ชั้นพรมโลกมาก่อนแต่เนื่องจากสติที่ส่งให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรมโลกหมดกาลังลงกิเลสคือการมาตัญหาความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นลดมันยังไม่หมดมันยังไม่ตายจากสติอยากสมาธิมันก็เลยเป็นตัวดึงให้จิตใจหล่นลงมาเกิดในกาลมาภพใหม่แต่พอมาเกิดเป็นมนุษย์ก็อยากจะกลับไปอยู่สู่สู่ความสงบใหม่ก็จะเป็น เป็นพวกนักบวชกันพวกนี้เวลาได้ลองนั่งสมาธิหรือบางทีไม่ต้องนั่งสมาธิให้อยู่เฉยๆตามลำพังจิตก็สงบขึ้นมาได้อย่างพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นเด็กเนี่ยมีครั้งหนึ่งที่อยู่ตามลำพังไม่มีใครมาอ้อมล้อมพวกข้าราชบริพารไปทำภารกิจอย่างอื่นปล่อยให้พระองค์วัฏฏะหยู่โคนต้นไม้อยู่เพียงลาพังอพอกายวิเวกคือสงบสงัด จ, จาก สิ่งงจากบุคคลต่างๆจากรูปเสียงกลิ่นเราจิตมันก็เข้าสู่ความสงบของมันโดยอัตโนมัติเนี่ยเพราะมันเคยเป็นอย่างนี้มาก่อนก่อนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์มันเป็นพรหมมาก่อนเคยได้เป็นพรหมมาก่อนเคยได้รับความสุขจากความสงบมาก่อนพอไม่มีอะไรมารบกวนใจทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เลยนิ่งสงบของมันโดยอัตโนมัติอันนี้เป็นเรื่องของผู้ที่ได้ ได้เจริญเนตรขมมะคือถือศีลนักบวชมาในอดีตและได้เจริญการภาวนาทำใจให้สงบเข้าสู่สมาธิได้อันนี้ก็เป็นพวกที่ ย, ยังต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปถ้าอยากจะไม่กลับมาเกิดหลังจากที่ได้ได้รูปประชางเลือรูปปัจจางแล้วนี่ก็ต้องไปสู่ขั้นที่สูงกว่า คือขั้นกับปฏิบัติที่เรียกว่าวิปัสนาภาวนาวิปัสนาภาวนาก็คือการเจริญปัญญาเพราะถ้ามีการเจริญปัญญาก็จะเห็นโทษของการของโทษของการมรรคนหาภาวะฐานหาและวิภาวะัาหาเพราะว่าสิ่งที่เสพคือกรรมก็ดีรูปปัานก็ดีอรูปปานก็ดีล้วนเป็นไลาลักษณ์ทั้งนั้นล้วนเป็นของไม่เที่ยงไม่ถาวร ได้แล้วจะมีต้อง ม, มีวันเสื่อมลงพอเกิดความเสื่อมเมื่อไหร่ก็เกิดความทุกข์เมื่อ น, นั้น<ม>ผู้ที่มีปัญญา<ม>จะเห็นความทุกข์ในการเสพกา ม, มก็จะละ ก, การเสพกามได้เช<ม>่นพระโสดาบันนี้พระสกิรดาคามีพระนาคามีนี้เริ่มต้นด้วยการละ ก, การเสพกามละ ก, การเสพรูปเสียงกลิ<ม>่นรสผลทพะพอละ ก, การเสพกามได้นี้ จิตก็จะไม่มีวันกลับมาเกิดในการมาพบอีกต่อไปสามภาริยะสามขั้นแรกนี้ท่านละการเสกการมได้ตามลำดับพระโสดาบันก็ละการเสกการมทางตาหูจมูกลิ้วกายได้ในระดับหนึ่งพระสกิราคามีก็ได้เพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งพระนาคามีนี่ละการเสกการมได้ร้อยเอร์เซถ้ายังเป็นโสดาบันอยู่ก็ยังมีความ ยินดีในการเสกการคือยังมีความยินดีกับการเสก ย, ยังมีแฟนยังอยากมีแฟนอยู่ยังอยากหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับแฟนอยู่พวกนี้ก็อย่ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อกีกไม่เกินเจ็ดชาติเพราะจะเห็นโทษเห็นทุกในการเสกกามเพราะเวลาแฟนจากไปหรือทะเลาะกับแฟนก็จะเกิดเห็นความทุกข์ปรากฏขึ้นมาต่อไปก็บอกไม่เอาดีกว่า ไปหาความสงบดีกว่าไปอยู่กับความสงบดีกว่า mm hmm. ก็จะตัดกามตัญหาลงไปตามลําดับ mm hmm. จากพระสโสดาก็จะเป็นพระสกิรดาคาพระสกิรดาคาก็จะเป็นพระอนาคาพอเป็นพระอนาคา this จะไม่มีความอยากที่จะเสกการมหลงเหลืออยู่ในใจอีกเลย mm hmm. ถ้าเกิดตายไปก่อนที่จะไปถึงนิพพานนี้ดวงวิญญาณนี้จะไม่กลับมาเกิดในกามาพบอีกต่อไป mm hmm. จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นอรูปภพหรือรูปภพเนี่ยแล้วก็ไปปฏิบัติต่อในสวรรค์ชั้นพรหมได้ด้วยตนเองเพราะว่ามีเครื่องมือแล้วมีปัญญาแล้วมีอริยสัจสี่มีไตรักษ์แล้วที่สามารถที่จะนาไปใช้กาจัดความอยากหลางสุดท้ายคือความอยากในรูรูปภพและอรูปภพได้ พิจารณาให้เห็นว่าความสุขของรูปภพหรืออรูปภพก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมนกันก็จะตัดให้หมดไปจากใจตอนต้นจะตัดกามะทันหาพอตัดกามะทันหาได้ก็เหลือแต่รูปเหลือแต่ภาวะตันหาวิภาวะทันหาที่ยังมีอยู่ในใจของพระอนาคามีอยู่ อาณามีก็ต้องมาตัดภาวทัณหาและวิภาวะตัณหาด้วยปัญญาด้วยใจรักด้วยอริยสัจสิพอตัดได้หมดแล้วทีนี้แรงดึงดูดที่ดึงดูดให้ดวงวิญญาณนี้กลับมาเกิดในตายภพก็จะหมดไปหรือเจตนี้มีกําลังมากกว่าที่จะแรงดึงดูดของตายภพสามารถจะดึงให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายภพได้ อันนี้ก็เป็นแรงที่จะทําทให้มีพลังมากกว่าแรงของตายภพก็คือแรงของสติปัญญานั่นเองแรงของอริยสัจสี่แรงของใจรักษถ้าเห็นใจรักณในตายภพแล้วก็ถือว่าจบถ้าเห็นว่าตายภพนี้เป็นทุกข์เห็นว่าการเสพการเป็นทุกข์เห็นว่าการเสพรูปประจาะนี้เป็นทุกข์เห็นว่าการเสพรูปประจานี้เป็นทุกข์แล้วก็จะไม่มีการที่อยากจะเสพ การอีกต่อไปไม่มีการอยากจะเสพรู ป, ปรชาหรืออาลู ป, ปชาอีกต่อไปพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจใจก็พ้นจากแรงดึงดูดของตายภบนั่นเองใจก็เข้าสู่พระนิพพานไปเมื่อเข้าสู่พระนิพพานแล้วก็ไม่มีอะไรจะดึงให้กลับเข้ามาสู่ตายภบได้ต่อไปเหมือนกับยานอวากาศที่นักวิทย า, าศาสตร์ส่งขึ้นไปสู่ให้ไปท่องในอวากาศพอพ้นจากรัศมีแรงดึงดูดของโลกนี้แล้ว ยาแนาวากาศหลนั้นจะไม่มีวันกลับมาสู่บนผิวโลกนี้ได้อีกต่อไปอยันในใจของผู้ที่ได้สร้างจรวดสร้างแรงผลักดันให้ดวงวิญญาณหรือดวงจิตดวงใจของตนนั้นให้มีพลังมากกว่าแรางดึงดูดของกามาตันหาภาวตันหาและวิภาวะตันหาแล้วก็จะไม่มีวันที่จะกลับมาเกิดในตายพบอีกต่อไป ไม่มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่มาเป็นเทวดาไม่มาเป็นพรหมหรือก็จะไม่ไปเกิดใช้กรรมถึงแม้ว่าอย่างเช่นพระองคุลิมานี้ถ้ายังมาเกิดเป็นมนุษย์นี้อาจจะต้องไปเกิดไปตกนรกเสียก่อนก็ได้เพราะทำกรรมไว้มากฆ่าคนต้อง999คนนี้แต่เนื่องจากว่าพอไปสู่พันธิพาแล้วไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เด็กต่อไปไม่กลับมาเป็นเทพไม่กลับมาเป็นอะไร ก็เลยไม่ต้องารับผลกรรมต่างๆที่ได้เคยทำไว้หลุดพ้นจากจากกรรมอย่างถาวรด้วยการไม่กลับมาเกิดอันนี้แหละคือสิ่งที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนาแล้วไม่มีศาสนาใดในโลกนี้หรือคำสอนใดในโลกนี้ที่จะสามารถสอนให้จิตใจของสัตว์โลกอย่างพวกเรานี้ได้หลุดออกจาก กองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดของสังสารวัตหรือของตายพนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นความรู้ระดับไหนก็ตามระดับด็อกเตอร์ก็ไม่สามารถที่จะหลุดออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ต่อให้ฉลาดขนาดไหนก็ตามเก่งขนาดไหนก็ตาม้วยขนาดไหนก็ตามยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามแต่ก็สู้ความยิ่งใหญ่ทางพระพุทธศาสนาไม่ได้ ยิ่งใหญ่ต่อการเป็นพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่ต่อการเป็นพระอรหันตสาวกไม่ได้เพราะว่าความยิ่งใหญ่ของโลกนี้ยังถูกอำนาจของแรงดึงดูดของตายพบดึงไว้อยู่ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเรื่อยๆแล้วครั้งนี้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนครั้งหน้ากลับมาเกิดอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่ก็ได้ขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่ทาไว้ว่าได้ทาบุญหรือทาบาปไวมากน้อยเพียงไร กลับมาเกิดก็ จ, จะกลับมาเกิดแบบยาจกขอทานก็ได้พบนี้อาจจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินพพหน้าอาจจะกลับมาเปิดเป็นขอทานก็ได้มันไม่แน่นอนถ้ายังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะว่าสิ่งที่จะมาตัดสินว่าจะมาเกิดสูงเกิดต่ำเกิดดีเกิดชั่วนี้ก็คือกรรมที่ได้ทำไว้หนึ่งการกระทาที่ได้ทาไว้ว่าได้ทากรรมได้ทาบาวไว้มากกว่าทบุญหรือไม่ ถ้าทำบาปมากกว่าทำบุญพบหน้าชาติหน้ากลับมาเกิดก็จะแย่กว่าเดิมแต่ถ้าทำบุญมากกว่าทำบาปพบหน้าชาติหน้ากลับมาเกิดก็จะดีกว่าเดิมอันนี้แหละเป็นหลักที่จะเป็นผู้ตัดสินเรื่องพบชาติถ้าเรายังต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ถ้าเราคิดว่าเรายังไม่สามารถที่จะหลุดออกจากกองทุกกอการเวียนว่ายตายเกิดได้นี้ถ้ายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็อย่าประมาท พยายามอย่างน้อยที่สุดก็พยายามทําบุญให้มากกว่าทําบาปอย่าทําบาปได้เลยยิ่งดีทําแต่บุญอย่างเดียวแล้วเวลาตายไปก็จะได้ไปสู่สุคติพอกลับมาเกิดใหม่ก็จะกลับมาเกิดดีกว่าเก่ายี่งกว่าชาติก่อนชาติก่อนได้แค่นี้ชาติต่อไปจะได้ดีกว่านี้เพราะบุญมากกว่าบาสนั่นเองแต่ถ้าบาปมากกว่าบุญชาติหน้ามันก็จะ แยกชาติ น, นี้อันนี้คือเครื่องตัดสินของผู้ที่ยังต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ถ้าคิดว่าสามารถที่จะหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็ไม่ต้องกังวลแต่ก็ยังต้องทำบุญละบาปเช่นเดิมก็ต้องมาถือศีลถือศีลแปดขึ้นไปละการกระทาบาปทั้งปวงแล้วก็มาสร้างบุญสร้างกุศลที่ยังไม่ได้สร้างก็คือ นอกจากทําบุญทำทานแล้วก็ต้องมาภาวนามาฝึกจิตมาทําจิตให้สงบให้เข้าสู่รูปปัจจานารูปปัจจานให้ได้พอได้รูปปัจจานเลื่องรูปปัจจานแล้วต่อไปก็มาเจริญวิปัสสนามาพิจารณาตายลักษ์พิจารณาอริยสัจ4ี่ให้เห็นว่าสภาวะธรรมทัท้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ทุกข์เพราะไม่เที่ยงเป็นของชั่วข่าวทุกข์เพราะว่าเราไม่มีใครไปบังคับไปทําให้มันเที่ยงได้มันเป็นอนัตตา มันไม่ได้เป็นสมบัติของใครไม่มีใครมาสั่งได้ว่าเป็นอย่างนี้แล้วจะต้องเป็นงนี้ไปตลอดทุกอย่างต้องมีวันเสื่อมลงไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเป็นเจ้าเป็นนายเป็นเป็นขี้ข้าก็ต้องมีการสิ้นสุดลงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอย่างนั้นมีเจลิแล้วก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาไม่มีใครสามารถไปบังคับไปสั่งให้เป็นไปได้ตลอดเวลาเป็นเจ้าแล้วจะต้องเป็นเจ้าไปตลอดเวลากลับมาชาติหน้าก็มาเป็นเจ้าอีก อันนี้สั่งไม่ได้มันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของอ น, นิจจังความไม่แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่นอนไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดานี่แหละคือเรื่องของเรื่องราวต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังนี้เราจะได้ยินเฉพาะเวลาที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ถ้าเราไปศึกษากับศาสนาอื่นศึกษากับคำสอนอื่นรับประกันได้ว่าจะไม่มีการสอนเรื่องราวเหล่านี้ต่างกันอาจจะมีบ้างบางเรื่องที่อาจจะคล้ายคลึงกันศาสนาส่วนใหญ่ก็สอนให้ทาบุญด้วยกันแล้วก็ไม่ให้ทำบาปด้วยกันแต่ไม่มีศาสนาไหนสอนให้เจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเพื่อให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวีนว่าตายเกิดได้ นี้แต่ศาสนาพุทธนั้นเพราะมีผู้รู้ผู้ฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าที่มมองเห็นสภาพความเป็นจริงของสัตว์โลกได้อย่างชัดเจนเห็นว่าสัตว์โลกนี้เวียนว่ายตายเกิดด้วยอํานาจของกามรทันหาภาวะทันหาและวิภาวะทันหาและถ้าอยากจะออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็ต้องปฏิบัติ ต, ตามที่ทพระ อ, องค์ได้ทรงปฏิบัติมา ก็คือต้องปฏิบัติทานศีลภาวนานี่ถ้าปฏิบัติทานศีลภาวนาได้ก็จะสามารถที่จะดึงจิตให้ออกจากกระแสดึงดูดของก า, มม า, า, ารมัตาหาภาวะัาหาและวิภวะฐาหาได้พอพ้นจากกระแสแรงดึงดูดของการ ม, มาตหาภวะัาหาวิภวตัานาแล้วจิตก็จะไม่กลับมาเกิเดติกต่อไปจิตก็จะอยู่ที่พระนิพพานนี่ นี่คือเรื่องสิ่งที่เราจะสามารถรับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้ถ้าเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าเรามาเกิดเป็นสุนัขเช่นมาเกิดเป็นสุนัขในวัดนี้ถึงแม้จะอยู่กับศาสนาก็จะไม่สามารถเรียนรู้คำสอนของศาสนาได้ได้อย่างมากก็ได้อาศัยร่มเงาของศาสนาให้อยู่กินอย่างปลอดภัยไปวันวันห น, น, นึ่นเงเท่างแต่จะไม่มีโอกาสที่จะพัฒนายกระดับจิตใจของตน ของตนให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้มาเกิดเป็นได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้ยึงถือว่าเป็นสูตรสำเร็จในการที่จะพาให้เราได้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็อยู่ที่ตัวเราเท่านั้นเองว่าเราจะช่วยโอกาสนี้หรือไม่หรือเราก็จะปล่อยให้มันผ่านไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านต้องพิจารณากันเอาเอง การแสดงสำหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยาทาวเรวาหาปุราปริปุเรนติสากลังเอวเมีวะอิโตทินางเปตานางอุปกาปฏิยติตังปฏิตังตุนังคิดวะเมวะสมิจฉาตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปันาระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนศิลิสะนิจจังวุธาปะจายโน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 ก็จะมีการเคลื่อนไหวมีการทําอะไรต่างๆมากมายไม่สะดวกที่จะคุยตอบคําถามได้ฉั้นถ้าอยากจะถามอะไรถามในช่วงนี้เลยจะถามเองก็ได้หรือจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือถ้ามีเครื่องมือถือก็เข้ามาทางเพจก็ได้ส่งเข้ามาทางเพจทาง YouTube แล้วทีมงานจะนำมามาอ่านให้ฟังวันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ กราบเรียนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมานาคุฏจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ415ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์279 YouTube Dr.V c h a n ว e ชน103กราบเฮา11นาคุฏ224รวมทั้งหมด 1,032 ท่านค่ะถ้ามีคำถามอะไรก็นำมาถามได้เลย คำถามจากนากขุดนะคะจากผู้ม่ประสงค์ออกนามคำถามแรกเกิดโทระบ่อยๆรบกวนขอทราบวิธีเจริญเมตตาเพื่อลดความกโกรธความพยาบาทและเครียดแค้นผู้ที่เคยกลั่นแกล้งเราในอดีตค่ะความโกรธเกิดจากความอยากอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้คนนั้นคนนี้ทาอย่างนั้นทำอย่างนี้พอเขาไม่ทาตามที่เราอยากเราก็โกรธเขา วิธีแก้ความโกรธต้องแก้ที่ความอยากของเรา ห, หัดใช้สันโดษคือยินดีตามมีตามเกิดเขาจะด่าก็ได้เขาจะชมก็ได้อย่าไปอยากให้เขาชมเราอย่างเดียวคุยดีๆกับ เ, เราอย่างเดียวเขาจะอยากคายอะไรก็เรื่องของเขาไปเราพร้อมที่จะรับทุกรูปแบบถ้าเราพร้อมที่จะรับทุกรูปแบบเราก็จะไม่โกรธเขา เมืไม่โกรธเขาก็ไม่ต้องมาแผ่เมตตาให้เสียเวลาไม่ต้องมาแก้ปัญหาให้เหนื่อยหรอกล่าแก้ที่ต้นเหตุดีกว่าเหมือนไฟไหม้ถ้าเราคอยดับไฟตั้งแต่มันเริ่มจุดมันเริ่มเกิดขึ้นใช mm hmm. ก็ไม่ต้องไปเรียกรถดับเพลิงมาดับไฟให้มันเสียเวลาฉน mm ั hmm. ้นแก้ที่เหตุดีกว่าเหตุคือความอยากของเราเองความอยากความต้องการของเราจู้จี้จุกจิกนคนที่จู้จี้จุกจิกเนี่ยจะโกรธง่ายแล้วก็จะทุกข์ คนที่ยินดีตามมีตามเกิดจะไม่ค่อยไม่ค่อยโกรธใครไม่ค่อยทุกข์กับใครเพราะอะไรก็ได้หนาวก็ได้ร้อนก็ได้ฝนตกก็ได้ไม่ตกก็ได้อะไรก็ได้เพราะมันถือว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้เราบังคับคนนั้นคนนี้ให้เขาดีกับเราไม่ได้เขาอยากจะดีเขาก็ดีเขาไม่อยากจะดีเขาก็ไม่ดีก็ต้องอย่าไปหวังอะไรจากใครแล้วรับประกันได้ว่าจะไม่ค่อยโกรธใครไม่โกรธเลย ความกรธมนเกิดจากความหวังความต้องการพอผิดหวังมันก็โกรธคำถามข้อที่สองค่ะส่วนตัวชอบอ่านธรรมะมากกว่าฟังธรรมอยากทราบว่าการอ่านธรรมะให้ผลเหมือนการทำฟังฟังธรรมไหมคะอะไรความต่างกันเนี่ยยองค่ะการอ่านธรรมะกับการฟังธรรมให้ผลต่างกันให้ผลเหมือนกันไหมคะคือผลมันก็เหมือนกันแต่ วิธีแต่ละวิธีมันก็ต่างกันคือฟังธรรมมันก็ง่ายเราไม่ต้องไปอ่านให้เสียเวลานั่งเฉยเฉยก็ฟังไปแต่แต่สิ่งที่ได้ฟังแล้วมันมามันผ่านไปเร็วถ้าเราฟังแล้วไม่เข้าใจเราก็ไม่มีเวลาไปทบทวนแต่ถ้าอ่านหนังสือนีมันถ้าอ่านตรงไหนไม่เข้าใจเราก็ยังหยุดแล้วกลับมาอ่านทบทวนใหม่ได้มันก็มีประโยชน์ต่างกัน ก็แล้วแต่เราแต่ผลก็คือเหมือนกันคือได้ความสงบเหมือนกันได้ปัญญาความรู้ความฉลาดเหมือนกันเพียงแต่วิธีง่ายยากต่างกันฟังมันง่ายกว่าฟังมันเหมือนกับคนป้อนข้าวให้เรา <c oughs> เราไม่ต้องมานั่งปักเข้าใส่ปากเป็นคน เ, เพียงแต่อ้าปากแล้วก็เคี้ยวแล้วก็เกิแต่ถ้าอ่านนี้เราต้องแบดูแล้วก็อ่านแล้วก็คิดนี่มันยากกว่า แต่มันก็อาจจะทำให้เราเข้าใจอะไรได้ง่ายได้ได้ดีขึ้นกว่าวก่าเพราะเราสามารถมีเวลาที่จะหยุดทบทวนได้แต่เวลาฟังนี่พอพูดผ่านเข้าหูซ้ายแล้วมันก็ไปเลยถ้าไม่เข้าใจมันก็ผ่านไปเลยจะกลับมายุคนี้ดีอย่างเรามีเครื่องบันทึกเสียงไว้ฟังช่วงไหนเราไม่เข้าใจเราก็ย้อนกลับไปฟังใหม่ก็ได้เพื่อการทำความเข้าใจที่ดีขึ้นทั้งนี้นก็แล้วแต่มันก็ดีทั้งนั้น่ะ เมื่อก่อนนี้ยุคนั้นไม่มีไม่มีการฟังการอัดเทปอัดเสียงอะไรจะรอครูบาอาจารย์แสดงมันก็บางทีก็นานหน่อยเพราะท่านไม่ว่างท่านก็ไม่สะดวกที่จะแสดงธรรมทุกวันก็อาศัยการอ่านฮะสมัยที่ไปอยู่ที่บ้านตายก็อาศัยการอ่านพอหลงตาท่านสี่ห้าวันหรืออาทิตย์ท่านจะเรียกประชุมเทศสัคงคมช่วงที่ท่านไม่ไม่เทศไม่ประชุมเราก็อาศัยอ่านหนังสือของท่านแทนมันก็เหมือนกับได้ฟังธรรมจากท่าน อ่อานมันละชื่อโมงหนังสือต่างๆที่ท่านพิมพ์ไว้ก็เอามาอ่าน ค่ะคำถามถัดไปค่ะปกติบริกรรมพุทโธพอจิตมีเรี่ยวแรงํงำภาพปฏิกลอสุภะอวัยวะ32หรืออุจาระมาพิจารณาบ่อยๆทำถูกไหมคะและเวลานั่งนึกถึงภาพอสุภะหรือกระดูกรู้สึกยังเห็นมนโนภาพไม่ชัดจึงใช้วิธีเอาหนังสือภาพมาเปิดดูและพิจารณาระหว่างดูรูปถ่ายทำถูกไหมคะถูกเป้าหมายก็คือให้มันฝังอยู่ในใจเราให้เราจดจาได้ ทุกครั้งเวลาที่เรายังนึกถึงอสุภะมันก็โผล่ขึ้นมาเลยเห็นเห็นใครแล้วเราเขาหลอกเราว่าเขาหล่อเขาสวยก็นึกถึงอสุภะของเขาดูถ้าได้ปั๊บมันก็จะมาทําลายภาพที่สวยภาพที่หล่อไปได้ค่ะคำถามถัดไปจากทางเฟซบุ๊กค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะอยากเรียนถามว่าถ้าเราถือศีลแปดแต่ยัง ดูข่าวบ้านเมืองบ้างได้ไหมคะหรือต้องงดดูดูมือถือหรือดูทีวีอย่างเด็ดขาดคะไม่ควรเลยไม่ควรดูถึงแม้ว่าจะไม่เป็นการบันเทิงมันก็ทําจิตให้ทุ้มซ่านได้เราไปอ่านข่าวไม่ดีมันก็จิตใจก็วุ่นวายขึ้นมาได้งั้นอย่าไปเสีอะไรเลยทางตาหูจมกูกลิ้นกายไม่ว่าจะเป็นข่าวหรือเป็นบันเทิงหรือเป็นอะไรก็ตามถ้าเราต้องการพาณาทําใจให้สงบเราต้องสํารวมอินทรีย์คือตาหูจมกูกลิ้นกาย คือไม่ไปสัมผั์กับรูปเสียงกิริลดต่างๆคำถามจาก y o u t u ด็อเตอร์วีค่ะมีอาการเจ็บป่วยมาสามปีเขาโรคมีอาการเจ็บป่วยมาสามปีกลโรคเข้าเป็นโรคเข้าออกโรงพยาบาลเป็นประจำวันนี้ก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลพยายามหาช่องทางรักษาเกิดความทุก์ยังหาช่องทางไม่เจอควรวางจิตอย่างไรคะ ก็ต้องยอมรับว่าเกิดแล้วก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาลวงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้เจ็บมากเจ็บน้อยก็อาจจะเกิดจากกรรมของเราทำกรรมมามากมันก็จะเจ็บมากทำกรรมน้อยมันก็จะเจ็บน้อยแต่เมื่อเป็นแล้วเราก็ไปห้ามมันไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องทำใจยอมอยู่กับมันไปยอมเข้าโรงพยาบาลไปยอมรักษาไป หายก็หายไม่หายก็อย่าไปอยากให้มันไม่หายก็แล้วกันอย่าไปอยากให้มันหายเพรอยากแล้วมันจะทำให้เราเครียดหรืออยากจะให้มันไม่เป็นก็มันก็จะทำให้เราเครียดทำให้เราทุกข์แต่ถ้าเรายอมรับเจ็บก็เจ็บหายก็หายไม่หายก็ไม่หายอยู่กับมันไปมันก็จะไม่เครียดคำถามจากคุณทิชชัยค่ะ ถ้าเราทำบุญถือศีลจนเป็นนิสัยตายไปกลับมาเกิดชาติหน้าเราก็จะทำบุญหรือถือศีลปฏิบัติทรรเหมือนเดิมใช่ไหมครับจะไม่ทำบาปใช่ไหมครับก็ไม่แน่ล่ะว่าเพราะศีลมันมันห้ามการทำบาปไม่ได้ร้อยเปอร์เซนบางทีเกิดรู้แก่โทสะโมหะโลภะขึ้นมามันก็อาจจะหักศีลได้คนมาบวชยังหักไปสึกได้เลย ไม่ัไม่แน่หรอกแต่อย่างน้อยมันเป็นกำแพงไว้ชั้นหนึ่งตัวที่จะหยุดได้จริงๆก็คือสติปัญญาเท่านั้นมีสติปัญญาถ้าเห็นว่าการกระทำของเราเป็นทุกข์มันก็จะหยุดได้ด้วยปัญญาคำถามจากคุณสุรเชษฐ์ค่ะขออนุญาตสอบถามครับพระอาจารย์ครับการทำให้มีสมาธิเวลานั่งไม่ค่อยสงบทำยังไงครับการสติต้องฝึกสติให้มากๆเอาเรื่องกรเตืออีกน ม, มาเลย ยืนตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปทั้งวันเลยรับรองได้ว่าถ้าทำนี้ได้แล้วนั่งสมาธิจิตจะสงบง่ายได้เร็วคำถามถัดไปจากคุณสมนึกค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับขอแนวทางปฏิบัติให้จิตยอมรับว่านี่ไม่ใช่กายเรานี่ไม่ใช่จิตเราและเมื่อไม่ใช่เราจิตคืออะไรเราคืออะไรครับทำจิตให้สงบให้เข้าสมาธิให้ได้แล้วก็จะได้คาตอบเหล่านี้